ในช่วงเทศกาลสงการานต์นี้ในช่วงวันหยุดพวกท่านแทนที่จะเลือกไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆท่านกลับเลือกมาวัดกันมาทำบุญมาฟังเทศฟังธรรมกัน มาปฏิบัติธรรมกันเพราะความศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสไว้ว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงหรือบางท่านอาจจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมมาแล้ว จึงรู้ว่าเป็นรถที่เหนือกว่ารถต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นรถที่เกิดจากการไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหรือการไปซื้อข้าวซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรต่างๆที่เราอยากจะซื้อเราอยากจะได้กัน การใช้เงินก้อนหนึ่งนี้ไปกับการเที่ยวกับการซื้อของต่างๆกับการไปดูไปฟังมาหารสพบันเทิงต่างๆกับการมาทาบุญมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมจะเห็นว่า มีผลแตกต่างกันเหมือนกับฟ้ากับดินผลที่เราได้รับคือความสุขจากการมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมนี้เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากการใช้เงินไปเที่ยวไปดูไปฟังไปดื่ม ไปรับประทานไปซื้ออะไรต่างๆนี่แหละคือแรงที่จะดึงดูดใจของพวกเราให้เข้าหารสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงเพราะว่าพระพุทธเจ้า ก, ก็ท่งได้เป็นผู้ พ, พิสูจน์มาแล้วและได้ท่งนำเอามา สั่งมาสอนพวกเราที่ยังไม่รู้ให้รู้หรือให้ทดลองทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทามาแล้วจะรู้เองว่ารถแห่งธรรมนี้ชนะรถทั้งปวงหรือไม่เมื่อเราได้ม า, าวัดกันได้มาทำบุญกัน มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันเราก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมคือรสของความสงบนี้เองเมื่อเราได้สัมผัสแล้วเราก็จะเกิดฉันทะความยินดีในรสแห่งธรรมก็จะกลับมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรม เพิ่มมากขึ้นไปตามลำดำับแล้วต่อไปเมื่อเราได้รับสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่สูงขึ้นที่มากขึ้นเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารสแห่งธรรมนี้ชนะรสทางปวงชนะรสของลาบยศสรรเสริญชนะรสของรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะ ระว่างการได้ลดแห่งธรรมกับการได้ทรัพย์นี้ผู้ที่ได้ลดแห่งธรรมนี้จะเลือกรดแห่งธรรมเสมอจะไม่เลือกเอารากหรือยศหรือสรรเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะเลือกเอาความสงบ ที่เป็นรสแห่งธรรมนี้เพราะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองนัตติสันติปรังสุขขังสุขเอินที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีนี่แหละคือรสแห่งธรรมรสแห่งความสงบของใจที่เกิดจากการระงับ ความอยากในลาบยศสรรเสริญความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่เรียกว่ากามฉันทะหรือกามะตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากล่า อ, อยากรวยและความอยากไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ คือความอยากไม่จนความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นต้นความอยากเหล่านี้เป็นตัวที่ทำให้ใจของเราไม่มีความสุขกันแทนที่จะมีความสุขกับไม่มีความสุขแต่มันหลอกเราได้ พอเวลาที่เราเกิดความอยากเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจพอเราได้ไปทําตามที่เราอยากความไม่สบายใจนั้นก็จะระงับไปชั่วคราวก็เลยทําให้เราคิดว่าการได้ทําตามความอยากนี้ทําให้เรามีความสุขแต่ความจริงแล้วมันเป็นตัว ที่ทำให้เราไม่สบายใจแล้วพอเราได้ทำตามที่มันอยากให้เราทำพอทำไปแล้วมันก็หยุดความอยากจะทำสิ่งนั้นก็จะหยุดไปชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนั้นก็เลยระงับไปก็เลยทำให้คิดว่าการได้ทำตามความอยากแล้วจะมีความสุขแต่มันเป็นความรังับชั่วคราว เดี๋ยวเอกสักพักหนึ่งมันก็กลับมาอยากใหม่พอมาอยากใหม่มันก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาใหม่ก็ต้องทำตามความอยากใหม่แล้วก็จะต้องทำมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความอยากนี้มันจะขยายตัวจากคืบก็เป็นสอกจากสอกก็เป็นหัวได้คืบแล้วต่อไปก็อยากได้ศอก พอได้สอกแล้วก็อยากจะได้ว่าได้ได้พันหนึ่งแล้วก็อยากจะได้มื่นได้มื่นแล้วก็อยากจะได้แสนได้แสนแล้วก็อยากจะได้ล้านมันจะเพิ่มความอยากไปเรื่อยๆถ้าได้เท่าเดิมก็จะไม่ดีไม่ดีอกดีใจแต่ถ้าได้มากกว่าที่เคยได้ก็จะดีอกดีใจ แต่ถ้าได้น้อยกว่าที่เคยได้ก็จะเสียใจไม่พอใจขึ้นมานี่คือความรู้สึกต่างๆที่เกิดจากการทําตามความอยากแล้วเวลาที่อยากแล้วไม่ได้กระทําไม่ได้สิ่งที่อยากได้เวลานั้นก็จะเสียใจน้อยใจหรือโกรธขึ้นมา นี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะหาความสุขกันวิธีที่จะหาความสุขนั้นต้องระ ง, งับความอยากต่างๆด้วยการไม่ทำตามความอยากเวลาเกิดความอยากแล้วเราไม่ทำตามความอยากครั้งต่อไปความอยากก็จะหดตัวลงจะเล็กลงไปความอยากจะน้อยลงไปแล้วเราก็จะ มีกำลังมากขึ้นที่จะสู้กับความอยากได้แล้วพอครั้งต่อไปมันก็จะลดน้อยลงไปอีกถ้าเราไม่ทำตามความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากนั้นมันก็จะหายไปพอไม่มีความอยากแล้วความไม่สบายใจต่างๆก็จะหายไปหมดพอไม่มีความสบายใจ ความสุขใจก็จะปรากฏขึ้นมาคือความสงบใจไม่สงบเพราะความอยากความอยากจะทำให้ใจกระเพื่อมจะทำให้ใจดิ้นรนพอไม่มีความอยากใจก็จะไม่ดิ้นรนใจก็ไม่กระเพื่อมใจก็สงบพอสงบใจก็จะสุขได้ความสุขที่เกิดจากความสงบ ได้นัตสันติฝรังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีดังนั้นพวกเราจึงเลือกมาวาัดกันมาหยุดความอยากกันหยุดความอยากไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหยุดความอยากที่จะใช้เงินซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆหยุดความอยากที่จะไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ แล้วมาวัดกันเอาเงินที่จะไปเสพนั้นมาทำทานมาทำบุญกันมาบริจาคให้วัดไปให้วัดเอาไปทำประโยชน์กับวัดเองเรือกับสังคมต่อไปแล้วเราก็จะเกิดความสงบใจจากการที่เราไม่ได้ไปทำตามความอยาก แล้วต่อไปความอยากที่จะไปเที่ยวก็จะน้อยลงไปจะเบาลงไปปีหน้าเราก็มาทำบุญกันอีกหรือโอกาสหน้าวันหยุดคราวหน้าเราก็มาทำบุญกันอีกต่อไปเราก็จะไม่สนใจกับการไปเที่ยวถ้าเราไม่มีเงินจะมาวัดไม่มีเงินไปเที่ยวเราก็จะไม่เดือดร้อน เราจะอยู่บ้านได้อย่างสบายใจเพราะไม่มีความอยากให้เราไปเที่ยวและความอยากที่จะมาวัดมาทำบุญนี้เราก็สามารถระ ง, งับได้อย่างง่ายดายกว่าความอยากที่จะไปเที่ยวเวลาเราไม่มีเงินทำบุญเราก็ไม่ทำก็ได้เราทำบุญอย่างอื่นต่อ ไม่มีเงินทาบุญเราก็รักษาศีลกันนั่งสมาธิกันระงับความอยากต่างๆใจก็จะสงบสงบแล้วก็จะมีความสุขใจนี่คือเรื่องของรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงที่พวกเราควรที่จะยินดีกัน ความยินดีในธทมชนะการยินดีทั้งปวงความยินดีอะไรที่ไม่ควรจะยินดีก็ความยินดีในกามาคุณห้าที่เรียกว่ากามฉันทะกามฉันทะนี้จะทำให้ใจเราไม่สงบจะทำให้เราหงดหงดลาคาญจักจะทำให้เรารู้สึกเศร้าซ้อยง่อยเหง า, ว, าว้าเหว จะทำให้เราเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่เราไม่ได้ทำกรรมฉันทะนี่แหละคือความยินดีในลดแห่งธรรมชนะความยินดีทั้งปวงเพราะเมื่อเรามีความยินดีในธรรมเราก็จะมาสร้างธรรมกันเราก็จะมาทำบุญทำทานกันมารักษาศีลกัน มาภาวนามาทำใจให้สงบมาสอนใจให้ฉลาดที่จะเป็นเครื่องมือหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราคือกามะตัณหาหรือกามฉันทากามะภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่เป็นตัว สร้างความไม่สบายใจให้กับเราอยู่เรื่อยๆทำให้ใจเรากระเพิ่มทำให้ใจเราต้องดิ้นรนแล้วได้มาเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอมีแต่จะอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอตายไปสิ่งที่หามาได้แทบเป็นแทบตายก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลย เอาสิ่งที่เอาติดตัวไปได้ก็คือความอยากทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่จะทําให้เราต้องไปรับผลบุญผลบาปถ้าเราทําบาปเพื่อทําเพื่อจะทําตามความอยากด้วยการทําบาปเราก็ต้องไปรับผลบาปในอบายไปเกิดในอบายก่อน หรือถ้าเราไม่ได้ทำบาปเวลาที่เราอยากจะได้อะไรแล้วเวลาที่เราได้อะไรมามากเกินที่เราจะใช้ได้เราก็เอาไปทำบุญกันมันก็จะทำให้เรามีบุญติดตัวไปจะพาให้เราไปเกิดในสวรรค์กันแล้วพอบุญที่เราได้ทำไว หมดลงหรือบาปที่เราทำไว้มันได้หมดลงไปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำตามความอยากทั้งสามใหม่ทั้งสามอย่างนี้เพราะเรายังไม่ได้กําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการทำบุญด้วยการไม่ทำบาปการที่เราจะ ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาทุกข์การที่จะทําให้เรามีความสุขไปตลอดโดยที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องกําจัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจการทําบุญการรักษาศีล น, นี้ยังไม่สามารถกําจัด ความอยากทั้งสามนี้ได้อย่างราบคาบอย่างสิ้นเชิงเพียงแต่ทำให้ลดมันให้มันเบาลงไปให้มันน้อยลงไปเช่นทุกครั้งเราอยากไปเที่ยวเราก็เอาเงินนี้ไปทำบุญเอาเงินที่จะไปเที่ยวไปทำบุญไปอยู่วัดกันความอยากไปเที่ยวมันก็จะหายไปแต่ความอยากอย่างอื่นมันยังมีอยู่ ความอยากที่จะให้ร่างกายของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้มันยังมีอยู่เราก็ยังต้องมาแก้ความอยากเหล่านี้ต่อวิธีที่จะแก้ก็คือเราต้องมาอยู่วัดกันมาปฏิบัติธรรมกันมาถือศีลแปดกันพอศีลแปดจะได้ทาให้เรา ไม่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหากามัชันทะถ้าเราไม่ถือศิ้นแปดเดี๋ยวเราก็จะเผลอไปหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันหาความสุขจากการรับประทานอาหารการแบบไม่มีขอบมีเขตไม่มีเหตุไม่มีผล รับประทานกันตามความอยากแล้วก็จะไปเที่ยวกันไปดูมาหารสพบรรเทิงต่างๆไปร้องลําทำเพลงแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าอภรรที่สวยงามวิจิตรพิสดารด้วยเครื่องสำอางต่างๆด้วยน้ำมันน้ำหอม ซึ่งเป็นการหาความสุขชั่วคราวความสุขที่ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอความสุขที่จะทำให้เกิดมีความอยากหาความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะไม่ได้ระงับความอยากจะไม่ได้ระงับความทำใจให้สงบให้เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบเลจึงจำเป็นจะต้องถือศีลแปดกันเพื่อจะได้ไม่ไปทํา กิจกรรมของกามฉันทะเพื่อที่จะได้มาทำกิจกรรมทำใจให้สงบคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบขั้นต้นก็สงบด้วยสติสติก็คือการรับเลือกรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวไม่ให้ใจไปรู้หลายหลายเรื่องคือไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้คิดอยู่เรื่องเดียวเช่นให้คิดอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปคำบริกรรมพุทโธนี่เราสามารถทำได้ในทุกกิริยาบทไม่ว่าเรากำลังเดินยืนนั่งนอนหรือทำงานอะไรต่างๆถ้าไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพื่อละงับความคิดต่างๆ เพราะความคิดนี้จะทําให้ใจเราไม่สงบแต่การระงับความคิดได้นี้จะทําให้ใจสงบจะทําให้ใจมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเจริญสติคือบาลิกัมพุทโธพุทโธจะไม่ใช้พุทโธก็ใช้การผูกใจไว้กับร่างกายก็ได้ ให้ใจเกาะติดอยู่กับการกระทาต่างๆของร่างกายไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนั้นก็ให้ใจอยู่กับร่างกายเพียงอย่างเดียวถ้ากำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินเพียงอย่างเดียวให้รู้ว่ากำลังเดิน<ๆ>ไปเดินมาเช่นเดินจงกรมถ้าทำงานทำอะไรก็ให้รู้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวถ้านั่งหลับตานั่งสมาธิ ก็ให้ดูลมหายใจดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆถ้าสามารถผูกใจให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อยู่กับการเคลื่อนไหวของลมหายใจเข้าออกได้ใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมา ทำให้มีความพอใจทำให้มีความอิ่มใจทำให้ไม่มีความอยากที่จะได้อะไรพอไม่มีความอยากใจก็สบายไม่มีอะไรมาทำให้ใจงดหงิดตาคาญไม่มีอะไรมาทำให้จิตเศร้าซ้อยงอยเหงาววาเวอยู่เฉยเฉยโดยไม่มีอะไรกลับมีความสุขกว่าการไป ดูไปฟังไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพภากับการไปซื้อข้าวของสิ่งของต่างๆมาครอบครองเป็นความสุขคนละชนิดกันอย่างที่ได้พูดไว้ตอนต้นลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากการทํำ ตามความอยากต่างๆแล้วก็ไม่มีความทุกข์ตามมาถ้าได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะสามารถรักษาความสงบนี้ไปได้เรื่อยๆตอนต้นก็รักษาด้วยสติต่อมาก็หัดใช้ปัญญาเป็นตัวรักษาปัญญาก็คือการที่เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้ มันเป็นความสุขปรอมมันเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราได้มานั้นไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดไปเสื่อมไปหรือจากเราไปหรือเราจากเขาไปพอเวลาต้องพัดพากจากกันความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือการเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ของสิ่งต่า ง, างๆเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเนี่ยได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องมีวันพัดภาคจากกันเวลาพัดภาคจากกันความสุขที่ได้ก็จะหายไปสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ทรมานใจนี่คือ การที่เราจะเห็นด้วยปัญญาสอนใจให้เห็นด้วยปัญญาว่าความสุขในโลกนี้เช่นความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภะนี้จะต้องกลายเป็นความทุกข์ในบ้านปลายเวลาที่เกิดการพัดภากจากกันไปถ้าเห็นด้วยปัญญาก็จะระงับความอยาก ได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ระ ง, งับกามะตัณหาได้ระ ง, งับภาวะตัณหาได้ระ ง, งับวิภาวะตัณหาได้พ็ระ ง, งับได้ด้วยปัญญามันก็จะระ ง, งับได้อย่างถาวรมันจะไม่อยากได้อีกต่อไปเพราะมันรู้ว่าสิ่งที่อยากได้นะั้นมันเป็นทุกข์เหมือนกับเรารู้ว่าน้ําที่เราเดือดกันนี้มีสารพิษ เจือปนอยู่ทางการเขานำเอาไปตรวจแล้วเขาพบว่าเป็นสารก่อมะเร็งถ้าเราเดื่มไปเรื่อยต่อไปเราจะต้องเป็นโรคมะเร็งพอทางการเขาประกาศว่าเครื่องดืม่มชนิดนี้มีโทษอย่างนี้ต่อให้เขาอามาแจากให้เราฟรีๆเราก็จะไม่ดื่มเพราะเราเห็นด้วยปัญญาว่าดื่มไปแล้วจะต้องกลาย จะต้องเป็นมะเร็งไม่มีใครอยากจะเป็นมะเร็งกันฉันได้ฉันฉันได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงนำเอาไปพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันเป็นอนิจจังมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นอนัตตา ม, มันไม่ได้เป็นของเราเราจะให้มันเป็นของเราไปอย่างถาวอนนี้เป็นไปไม่ได้ มันจะต้องมีการพัดพ า, ดพาดจากเราไปในวันใดวันหนึ่งก็เหมือนกับที่ทางการเข้านำน้ำไปพิสูจน์ไปตรวจสอบแล้วก็เห็นว่าเป็นน้ำที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นมาทางการก็มาปฏิบัติมาประกาศให้ประชาชนทราบพอ ป, ประชาชนทราบว่าน้ำชนิดนี้ดื่มแล้วจะเป็นมะเร็งก็จะไม่มีใครดื่ม อนใดพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับทางราชการพระพุทธเจ้าก็เอาราบยศสารเสริญเอารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพานี้ไปตรวจสอบไปพิสูจน์จนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะไปควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอด มันจะต้องมีวันหนึ่งที่มันจะต้องให้ความทุกข์กับเรานี่พระพุทธเจ้าท่านก็มาประกาศให้กับชาวพุทธได้ทราบกันทุกคนแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เช่นลาบยศสันตเริญโูภเสียงกลิ่นลดโผฏฐพัทธ์ต่างๆนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ได้เป็นของเรามันไม่ใช่ของเราเราควบคุมบังคับให้มัน ให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้มันให้ความสุขกับเราเพียงเชื่อระยะเวลาหนึ่งแล้วต่อไปมันก็จะต้องเปลี่ยนไปจากเราไปถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างที่เราเชื่อทางราชการนี้รับรองได้ว่าพวกเราทุกคนจะหลุดพ้นจากกองทุกได้อย่างแน่นอนเพราะเราจะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรง สอนให้เราปฏิบัติก็คือไม่ให้ไปยินดีกับลสต่างๆในลสในในโลกนี้รสของราบยศจันละเสริญรสของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะให้มายินดีกับลสแห่งธรรมที่เกิดจากการทำบุญทมทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนาสามถาภาวนาก็คือาการเจริญสติ เพื่อลั ง, งับความคิดต่างๆให้ใจสงบพอใจสงบแล้วก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวงแล้วก็ให้เจริญวิปัสนาภาวนาต่อไปเพื่อที่จะได้รักษารถแห่งธรรมที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ให้หายไปด้วยการาลั ง, งับความอยากต่างๆ ระ ง, งับกามตัณหาระ ง, งับภาวะตัณหาระ ง, งับวิภาวะตัณหาเวลาที่มันปรากฏขึ้นมาด้วยการใช้ปัญญาให้เห็นว่ารูปเสียงจิตรสโผฏฐัพพะนั้นมันเป็นทุกข์อย่าไปอยากได้มันลาบยศสระเสริญก็เป็นทุกข์อย่าไปอยากได้มันร่างกายที่เรามีอยู่นี้ก็เป็นทุกข์อย่าไปอยากได้มัน ถ้ามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ให้มันตายไปเราอย่าไปเสพอะไรทั้งปวงเราขอเสพอย่างเดียวก็คือลดแห่งความสงบนี่คือการที่เราจะพบกับความสุขที่แท้จริงพบกับความสุขที่ถาวรเราต้องเชื่อฟัง คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราเชื่อคําประกาศของทางราชการที่เขาได้พิสูจน์แล้วว่าน้ําเดิมชนิดนี้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค พ, พระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนทางราชการทรงได้นําเอาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไปตรวจสอบแล้วแล้วทรงเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นพอเราไม่ต้องการสิ่งต่างๆไม่อยากในกามตัณหาไม่อยากในภาวะตัณหาไม่อยากในวิภาวะตัณหาเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทุกข์กับความอยากต่างๆ ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาทุกข์กับการพัดพากจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงเกลื่อนรอดต่างๆไปเราก็จะอยู่ที่พระนิพพานอยู่ที่ความอยู่ที่ใจที่สงบไปตลอดใจที่ปราศจากความอยากต่างๆปราศจากกามตัณหาปราศจากภาวะตัณหา และปาสจากวิภาวะตันหานี่คือการหลุดพ้นของใจหลุดพ้นด้วยรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงหลุดพ้นด้วยความยินดีในธรรมที่ชนะความยินดีทั้งปวงตอนนี้พวกเราก็เริ่มมาให้ความยินดีต่อธรรมแล้ว โดยการมาวัดมาทำบุญทำทานมารักษาศีมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันอันนี้จะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆตัดความอยากในละอย่างอื่นไปตัดความอยากในลถของรูปเสียงกลิ่นลดผลถภาไปตัดความอยากใน ความอยากมีอยากเป็นตัดความอยากมีไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วบมเพ็ญให้มากขึ้นไปเรื่อยๆปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะมีรถแห่งธรรมเต็มอยู่ภายในหัวใจแล้วความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในหัวใจมันก็จะหายไปหมดใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีความอยากทั้งสามนี้เลย ใจของพระอาหารหันตสาบกก็เช่นเดียวกันท่านจึงไม่ต้องกลับมาเวียน่หวตายเกิดเหมือนที่พวกเรายังต้องมาเวียนไหวตายเกิดกันอยู่เพราะใจของพวกเรานี้ยังมีกามตัณหามีภาวะตัณหามีวิภาวะตัณหาอยู่ในใจนั่นเองเราจึงต้องมาบำเพ็ญกันเราต้องมาถือศีลแปดกันมาอยู่มาปรีกวิเว ก, กัน มาที่สงบเพราะว่าสถานที่สงบจะเอื้อต่อการทําใจให้สงบนั่นเองถ้าสถานที่ไม่สงบมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาล่ำกมารบกวนใจการจะทําใจให้สงบก็จะเป็นไปได้ยากกว่าแต่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในที่สงบแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสงบโดยอัตโนมัติ เพราะภายในใจมันก็ยังมีความอยากคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดถึงบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้งั้นพอเราออกมาจากที่วุ่นวายจากจากรูปเสียงกลิ่นลดแล้วเราก็ยังต้องมาควบคุมใจต่อด้วยการเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับจะใช้คำวริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ เลยจะผูกใจให้ติดอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําต่างๆของร่างกายไปก็ได้เวลานั่งสมาธิถ้าใช้พุทโธก็บริกรรมพุทโธต่อไปถ้าใช้ร่างกายก็ดูลมหายใจเข้าออกไปจนกว่าใจจะรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิตกลุมตกบอ่อวุบลงไปแล้วก็สงบมีความสุขอย่างยิ่งมีความสบาย ไม่อยากจะออกจากสมาธิไปผู้ที่ได้อัปปนาสมาธิจริงๆแล้วจะไม่ถามว่าจะทำไงต่อไปก็จะพยายามอยู่ในสมาธินั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะมันไม่มีความอะไรที่ยังมีความสุขเหมือนกับคนที่เข้าไปอยู่ในห้องปรับอากาศแล้วนี่จะไม่อยากออกมาอยู่ข้างนอกนอกจากมีความจําเป็นจริงๆเท่านั้นถึงจะออกมาจากห้องปรับ ห้องที่มีเครื่องปรับอากาศอย่างใดการอยู่ในสมาธินั่นก็เหมือนกันถ้าเราได้เข้าไปสู่สมาธิได้สัมผัสความสุขที่ได้จากความสงบแล้วเราจะไม่อยากจะออกมาเราจะไม่ถามว่าจะให้ทำยังไงต่อไปเราก็จะพยายามอยู่ในนั้นให้มากให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นั่นเองจนกว่าอยู่ไม่ได้เพราะความอยากมันผลักดันให้เราออกไป เพราะสติของเราอ่อนกำลังลงถ้าเราอยากจะอยู่ในนั้นต่อเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่ต้องบริกรรมพุทโธใหม่หรือดูลมหายใจใหม่แล้วมันก็จะกลับเข้าไปสู่ความสงบอย่างนั้นได้อีกอย่างนั้นผู้ที่ได้สมาธิแล้วนี้เบื้องต้นจะต้องติดสมาธิก่อนจะไม่ชอบออกไปทางปัญญาพอได้สมาธิแล้ว ออกจากสมาธิก็จะพยายามกลับเข้าไปใหม่พยายามกลับเข้าไปเรื่อยๆจนเกิดความชำนิชำนาญสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการอย่างนั้นนะ่ะถึงจะต้องบังคับต่อจากนั้นถึงจะต้องบังคับเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วนี้ให้มาเจริญปัญญากันให้มาสอนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ ทุกข้อว่ามันไม่เที่ยงทุกข้อมันไม่ใช่เป็นของเราเรียกว่าให้สอนใจให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งปวงเช่นราบยศสนรเสริญเช่นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆได้รับจากบุคคลต่างๆเช่นได้รับจากภรรยาได้รับจากสามีได้รับจากลูกความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราว เพราะต่อไปจะต้องมีการพัดพาคจากกันเวลาพัดพาคจากกันความสุขก็จะหายไปความทุกข์ก็จะตามมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับความสุขแบบนี้เราก็อย่าไปยึดไปติดอย่าไปอยากได้ความสุขแบบนี้แล้วต่อไปเวลาที่เขาจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์กันเพราะเราไม่ต้องการเขาแล้ว เวลาที่เราไม่ต้องการเขาแล้วเวลาเขาจากเราไปนี้เราจะรู้สึกเฉยเฉยเช่นคนที่เขาอย่าร้างกันเขาไม่ทุกข์กันเขากับดีใจกันเวลาที่ได้อย่าร้างกันเพราะเขาไม่รักเขาเขาไม่ต้องการคนที่เขาได้มาเป็นคู่ของเขาแล้วเขาอยากจะทิ้งไปแล้วเพราะเขเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วอยู่กับเขาเป็นทุกข์แล้วอยู่ไปทําไมก็อย่าร้างกันดีกว่า ฉันใดถ้าเรามองเห็นสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราเพื่อนของเราเป็นทุกข์เนี่ยต่อไปเราก็จะไม่ยินดีที่จะอยู่กับเขาแต่ถ้าถ้ายังต้องอยู่กันก็อยู่กันไปด้วยความเมตตาแต่จะไม่ได้อยู่ด้วยความยึดติดยึดไม่ได้อยู่ด้วยความอยากให้อยู่ด้วยกันอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้องอยู่ เช่นแต่งงานกันมาแล้วมันก็จำเป็นจะต้องอยู่กันไปนอกจากว่าคุยกันได้ตกลงกันได้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วทุกเราแยกกันอยู่ดีกว่าคุณไปอยู่วัดเราไปอยู่วัดเราไปหาความสุขจากการทำใจให้สงบกันดีกว่าอย่างนี้ก็แยกกันได้หรือถ้าอยู่ด้วยกันก็อยู่แบบไม่ผูกพันกันเรารู้ว่าความผูกพันนี้จะนามาซึ่งความทุกข์ใจ เวลาที่มีการพัดพากจากกันนี่คือการใช้ปัญญาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเราต้องหมั่นพิจารณาของทุกอย่างที่เรายังอยากได้ว่าเป็นทุกข์กันที่เรายังมีความผูกพันที่เรายังมีความห่วงใยมีความกังวลมีความรักนีเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาตัดมันให้ได้แม้แต่ร่างกายของเราที่เรารัก เราก็ต้องตัดมันให้ได้ร่างกายที่เราผูกพันเราก็ต้องตัดมันให้ได้ด้วยการสอนว่าต้องมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทำให้เราทุกข์เนี่ยแต่ถ้าเรายอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันนี่คือการใช้ปัญญามาสอนใจ ให้ตัดความผูกพันตัดความอยากกับสิ่งต่างๆที่ใจยังมีความเกี่ยวข้องอยู่เกี่ยวข้องได้แต่ไม่ควรที่จะไปยึดติดอย่าไปผูกพันเกี่ยวข้องแบบเหมือนกับคนที่เราไม่รู้จักคนที่เขาไม่เราไม่รู้จักเจอกันแล้วก็ทักทายกันถามปไปไหนมาไหนสบายดีหรือไม่พอเขาไปทางหนึ่งล้วก็ไปอีกทางหนึ่ง เราก็ไม่รู้สึกทุกข์อะไรถึงแม้ว่าเราจะไม่ไม่เจอเขาอีกต่อไปเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าคนที่เรายังมีความผูกพันอยู่นี่เรายังอยากจะเจอเขาอยู่เรื่อยๆยังอยากจะให้เขาอยู่ใกล้เราอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าเราจะทุกข์ถ้าเราไปผูกพันกับเขาถ้าเราไม่ผูกพันแล้วเราจะไม่ทุกข์ความผูกพันก็คือความอยากให้เขา อยู่กับเราดีกับเราให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆนั่นเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นี่คือวิธีสอนใจหลังจากที่มีความชำนาญในการเข้าสมาธิแล้วสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาเพราะว่าเวลาที่พิจารณาทางปัญญาก็อาจจะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้เราก็จะได้หยุดพิจารณาชั่วคราวแล้วกลับเข้าไปพักในสมาธิก่อน ไปเอาเนื้เอาแรงมาก่อนพอพักแล้วใจสงบเย็นสบายแล้วค่อยออกมาพิจารณาต่อไปทำไปจนกว่าเราจะไปเจอข้อทดสอบเวลาที่เราจะต้องพัดพาคจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลเะจากบุคคลนั้นบุคคล น, นี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากสถานที่นั้นสถานที่นี้เราก็จะได้รู้ว่าเรา ปล่อยวางได้หรื อ, อยังเราตัดความอยากในสิ่งเหล่านั้นได้หรื อ, อยังถ้าเราไม่มีความรู้สึกสะเทือนใจเลยรู้สึกเฉยๆกับการพัดภาจากสิ่งต่างๆไปก็แสดงว่าเราทำข้อสอบได้แล้วถ้าเรายังมีความรู้สึกสะเทือนใจยังเสียใจน้องหม่มน้องห้ายยังไม่อยากจากกันก็แสดงว่าเรายังทำข้อสอบไม่ผ่าน เพราะปัญญาของเรายัางไม่เฉียบแหลมพ อ, อยังมองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอนั่นเองหรือถ้าเป็นคู่รักคู่ครองก็ยังไม่เห็นอสุภะถ้าเห็นอสุภะแล้วก็จะไม่เสียใจไม่เสียดายถ้าคู่รักคู่ครองของเราเขาจากไปถ้าเขาจะไปมีคนอื่นเป็นแฟนเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นอะไรเรารู้ว่าเขาเป็นอสุภะ แต่เราไม่รู้ถ้าเราเสียใจก็แสดงว่าเรายังเห็นก็เขาเป็นสุภาพิอยู่ยังเห็นว่าเขาสวยเขางามอยู่แต่ถ้าเราพิจารณาความไม่สวยไม่งามที่มีเหนือตัวเขาอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นสุภาพมากกว่าจะเห็นสุภาพะแล้วเราก็จะไม่เกิดความเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่เขาทิ้งเราไปเวลาที่เขาไปมีแฟนใหม่เราจะดีใจสิเพราะ อยู่กับสร้างศพมานานแล้วถ้าถึงเวลาอยากจะไปก็เชิญไปได้เลยเนี่ยคนที่มีปัญญาแล้วจะไม่มีความผูกพันไม่มีความยึดติดจะไม่มีความอยากได้อะไรกับทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเข้าของเงินทองหรือเป็นลาบยศสรรเสริญหรือเป็นรูปเสียงกลิ่นรสจะเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นนี่คือ การปฏิบัติหลังจากที่ได้สมาธิต้องชำนาญในสมาธิก่อนถึงไปทางปัญญาถ้ายังไม่สมาถ้าสมาธิยังไม่ชำนาญเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างเวลาไปทางปัญญาแล้วเกิดมันฟุ้งซ่านขึ้นมามันจะมันจะระ ง, งับดับยากมันจะเข้าสมาธิไม่ได้ดังนั้นอย่าเพิ่งกังวลเรื่องปัญญามากเกินไปให้กังวลเรื่องสมาธิให้มากก่อนว่าเราสามารถ เข้าไปในอัปปนาสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการหรือไม่แลวอยู่ในแต่ละครั้งอยู่ได้นานหรือไม่อันนี้เป็นข้อมูลข้อส่วนแรกที่เราควรจะให้ความสำคัญพอเราชำนาญในสมาธิแล้วถ้าเราไม่ออกทางปัญญาตอนนั้นน่ะเราต้องบงังคับให้มันออกทางปัญญาให้ออกมาพิจารณาเรื่องราวต่างๆว่าเป็นใตรักเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะ หรือถ้าเป็นอาหารก็ว่าเป็นปฏิกูลไม่น่ารับประทานเพื่อจะตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปอย่างถาวร่าหมดไปได้ด้วยปัญญาเท่านั้นสมาธิหรือสติเพียงแต่กดมันไวแต่ปัญญานี้จะทําให้เห็นรากของความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเรามันเป็นอสุภะไม่สวยงาม ถ้าเป็นอาหารมันก็เป็นปฏิกูลมันเป็นของโสกปรกเนี่ยเวลาเราเอาอาหารไปถ่ายไปทิ้งไว้ในห้องน้านี่เราไม่อยากจะเห็นหน้ามันเลยอยากจะขับอยากจะถ่ายแล้วก็อยากจะลาบน้าให้มันหายไปเร็วๆทั้งๆ ท, ที่เป็นของเราอยากกันอย่างน้ำลายไหลเวลาที่เรากินเข้าไปเพราะเรามองไม่เห็นความเป็นปฏิกูลของมันตอนที่เรากินนั่นเอง เหนตอนที่ก่อนเราจะกินเราควรจะพิจารณาอาหารให้เห็นว่ามันเป็นปฏิกูลเราจะทําให้เราไม่กินด้วยความอยากเราจะกินด้วยความจําเป็นเท่านั้นนี่คือเรื่องของลถแห่งธรรมที่ชนะลถทั้งปวงที่ที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาหากันขอให้ท่านพยายามเพิ่มความเพียรอยู่เรื่อยๆปฏิบัติอยู่เรื่อยๆปฏิบัติให้มากขึ้น ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมให้มากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นรักษาศีลแปดให้มากขึ้นเจริญสติให้มากขึ้นนั่งสมาธิให้มากขึ้นเจริญปัญญาให้มากขึ้นเพื่อให้มันได้เต็มร้อยเต็มร้อยเมื่อได้เต็มร้อยเราถึงจะเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าสุปฏิปันโนถ้าได้เต็มร้อยได้สุปฏิปันโนก็จะได้มรรคผลผนิพพานเป็นผลตอบแทนะ ได้สวสดาปฏิมร์สวสดาปฏิผลได้สกิฎาคามีมร์สกกิฎาคามีผลได้อนาคามีมร์อนาคามีผลได้อารหัตมร์อาราหัตผลและได้พระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปได้นิ บ, บานังปรมังสุขขังได้ความสุขได้ความสุขที่สูงสุดคือบร ม, มสุข นี่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงยิ่งขอให้ท่านจงพยายามผลักดันตัวเองให้มาในทางธรรมนี้ให้มากพยายามสร้างความยินดีในธรรมให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้มาแสวงหาธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันแล้วเราจะได้สัมผัสรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะถ า, าวาริวาหาปปราปาริโผเรติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกปติอิทิตังปัิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโต สัพเพปเรนตุจังกะปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพ so พิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตาลาโยสุขีธีขายุโกภวา าพิวาทานาสิลิตะนิจังวุฒาปจายโนจตารธรรมวัทานติอายุวันโสุขังภาลาัาำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตงดตอบปัญหาถ้าใครมีคำถามอยากถามก็มาถามได้ที่ศาลามีไมโครโฟนให้ท่านได้ถามถ้ายังไม่มีก็จะให้คำถามทางบ้านเข้ามาก่อนคำถามจาก Facebook ค่ะคำถามจากคุณโจประกรณ์เมื่อเราปฏิบัติไปได้ระดับหนึ่งเราจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายโลกครอบครัว รอบตัวงานอยากปลีกวิเวกหรือว่าเราจะรู้สึกเฉยเฉยต่อโลกคนรอบตัวและมีเมตตาต่อคนเหล่านั้นมากขึ้นอันไหนแน่ครับไม่อยากปลีกวิเวกเพราะความเบื่อหน่ายอย่างไงไม่เข้าใจก็คือว่าถ้าปฏิบัติมากขึ้นนะคะจะรู้สึกอย่างไรคือ1รู้สึกเบื่อหน่ายโลกครอบครัวคนรอบตัวงานอยากปลีกวิเวกหรือว่า ถ้าปฏิบัติมากขึ้นควรจะรู้สึกว่าเฉยๆต่อโลกคนรอบตัวแล้วก็มีเมตตามากขึ้นค่ ะ, ะมันก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าเราอยู่ในระดับที่มันอิ่มตัวมันก็อยู่เฉยๆได้ถ้ามันยังไม่อิ่มตัวมันยังมีความอยากได้ความสงบมากขึ้นมันก็ต้องไปปีกเว่เกเพื่อไปปฏิบัติให้ได้มากขึ้นคําถามจากคุณอุโนโมโน ก่อนหน้านี้เคยนั่งสมาธิก่อนนอนเป็นประจำไม่ค่อยได้ดูหนังฟังเพลงจะนั่งสมาธิไม่นานแต่ละครั้ง1 0 1ถึงนาทีรู้สึกสงบสบายอยู่บ่อยครั้งระยะหลังห่างหายไปพักใหญ่กลับไปดูหนังฟังเพลงพอตอนนี้กลับมานั่งสมาธิกลายเป็นนั่งไม่ได้อย่างตอนนั้นถ้าไม่ง่วงก็ฟุ้งซ่านขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะก็อย่าไปดูหนังเลแล้วกลับมาฝึกสติ เบ้อควบคุมความคิดอย่าไปคิดถึงการดูหนังการฟังเพลงการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งไก่แล้วก็มันจเจริญสติพุธโธพุธโธไปเรื่อยๆต่อไปเวลานั่งก็จะนั่งได้คำถามข้อสองค่ะช่วงที่ปฏิบัติสม่าเสมอตอนนั้นรู้สึกว่ามันสงบนิ่งจนเหนื่อยคิดช้าพูดช้าไม่อยากทำอะไรจนมีคนทักว่า เราสงบเกินไปไม่เบิกบานจนรู้สึกกังวลว่าปฏิบัติผิดทางหรือเปล่าเราควรพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะออถ้ามันเป็นความท่านสงบด้วยสติมันจะไม่เอืดอาดมันมันจะไม่เชื่องช้าถ้ามันสงบด้วยความเกียจค้านมันก็เชื่องช้าฉนัออ้น เ, เราต้องสงบด้วยสติก็คือถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเราจะควบคุมใจของเราได้ ถึงเวลาจะต้องทําอะไรก็ทําได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าสงบด้วยความเกลียดค้านมันก็จะเชื่องช้ามันก็จะเหนื่อยหน่ายสงบไม่เหมือนกันคําถามจากคุณพุทธรักษาโยมเริ่มหัดพิจารณาอสุภะกรรมฐานทุกครั้งที่พิจารณาโดยใช้พิจารณารูปภาพเหมือนแทนของจริงทุกครั้งที่พิจารณา มีอาการคลื่นเหวียงจะอาจเจียนบ่อยๆเป็นเพราะสติยังไม่ดีพอใช่ไหมเจ้าคะเพราใจเรายังสงบไม่พอใจเรายังมีปฏิกิริยาต่อภาพอสุภะอยู่ท่านถึงสอนว่าอย่าเพิ่งพิจารณาถ้ายังยังไม่พร้อมถ้าใจสงบแล้วพิจารณาจะไม่มีปฏิกิริยากับภาพที่เห็นจะเห็นแล้วก็จะรู้สึกเฉยๆ แต่จะเห็นมาเพื่อที่จะได้ใช้กาจัดความอยากในกา ร, ารมร์ได้คำถามจากคุณเจฟศิลาค่ะการนั่งสมาธิถ้าเรามีวิบากกรรมในอดีตอาจทำให้ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เราควรทำอย่างไรคะแล้วเราสามารถอโหสิกรรม ให้กับเจ้ากรรมในเวนได้หรือไม่คะจะได้หมดเวนหมดหมดกรรมต่อกันเไม่มีอะไรจะมาขัดขวางความพยายามของเราได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นต่อให้มีวิบากกรรมมากน้อยเพียงไรก็ตามองคุลิมานฆ่าคนมา99้ารกขมก็ยังบรรลุได้พระเทวทัตที่พยายามฆ่าพุทธเจ้าถึงสามครั้งก็ต่อไปก็จะไปเป็นพระประเจกะพุทธเจ้าได้ อันวิบากต่างๆนี้จะไม่สามารถมายับยั้งใจที่มีความเพียรในความพยายามได้ถ้ามีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติไปต่อไปมันก็จะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ทุกคนอย่าไม่ต้องไปกังวลกับวิบากต่างๆกังวลกับความเพียรดีกว่าว่าเราขี้เกียจหรือเราขยันในการปฏิบัตินถ้าเราขี้เกียจปฏิบตัติต่อให้ไม่มีวิบากมันก็ไปไม่ได้อยู่ดี วันนี้มีคนเข้ามาเยอะไหมทางเฟซบุ๊ก oh. <Facebook. S 2> สามประมาณสามรอยห้าสิบได้ครับ uh. YouTube น้อยหน่อยครับวันนี้ยี่สิบกว่าครับ uh. คำถามจากทางเฟ e บุ๊ก Live นะครับคำถามจากคุณอ่า uh. คุณศิลจิลานะครับรู้จักรู้จักคนบุคคลท่านหนึ่ง เป็นคนรักสัตว์วัวควายหมาแมวหลายร้อยตัวแต่ตัวเองทุกข์มากเพราะถึงทางตันไม่มีเงินค่าอาหารให้สัตว์จะอุเบกขาอย่างไรคะไม่รู้จะเอามันไปไหนก็เหมือนกับคนที่แบกของหนักกว่าที่ตัวเองสามารถแบกได้ก็จะไม่สามารถเดินไปในทางที่ตัวเองต้องการไปได้ ก็ต้องเลือกแล้วว่าจะต้องเอาอะไรไปเอาอะไรสิ่งไหนจําเป็นก็แบกไปสิ่งไหนที่ไม่จําเป็นก็ต้องทิ้งไปต้องเอาไปเท่าที่กําลังเราจะสามารถแบกไปได้ไม่ฉะนั้นเราก็จะเดินกลับไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการไม่ได้ถ้าเราไปซื้อข้าวซื้อของมาแล้วจะเดินกลับบ้านเนี่ถ้าซื้อของมากเกินไปแบกไม่ไหวถ้าเอาไปหมดมันก็ไปไม่ได้ ก็ต้องเลือกเอาของที่เราถือไปได้แบกไปได้แล้วก็กลับบ้านของอย่างอื่นค่อยอวันหลังค่อยมาเอาใหม่อวันนี้ได้เท่านี้ก็ เ, เท่านี้ก่อนฉันได้สัตว์เลี้ยงต่างๆที่เรารักเราก็ต้องอก็ต้องดูซะว่าเราสามารถเลี้ยงมันได้สักกี่ตัวเราก็เลี้ยงไปเท่าจํานวนนั้นตัวอื่นแล้วก็เอาไปปล่อยหรือเอาไปให้คนอื่นเขาเลี้ยงประกาศทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เดี๋ยวมีคนมารับไปเลี้ยงเองสมัยนี้ ออินเทอร์เน็ตนี้เป็นเหมือนที่จะให้คนที่อยากได้ของกับคนที่ให้ของนี่ได้มาเจอกันอย่างง่ายได้ประกาศปุ๊บว่าต้องการสิ่งนี้คนที่เขามีเขาก็เอามาให้เลยถ้าเราประกาศว่าต้องการให้สิ่งนี้คนที่ก็ต้องการเขาก็จะมาทันทีงั้นเราต้องดูกําลังของเราว่าเราทําได้เท่าไหร่ถ้าถ้าทําเกินกําลังแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สําเร็จเลยเดี๋ยวถ้าเกิดเรา ไปมีเป็นหนี้เป็นศีลถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารางแล้วขาจะมาเลี้ยงสัตว์เหล่านี้คำถามจากคุณพานุพงศ์นะครับเรื่องการเปลี่ยนชื่อคือชื่อสกุลกับผมมีคนชื่อสกุลเหมือนกันกลัวว่าถ้ามีการทำธุรกรรมต่างๆจะ ก, กระทบต่อผมเพราะชื่อสกุลเหมือนกันจึงอยากจะเปลี่ยนชื่อทั้งนี้ก็ยังยินดีในชื่อเก่าสกุลเก่าที่พ่อแม่ตั้งให้เลยจะเพิ่มนามสกุลขึ้นมาอีก คำถามคือควรเชื่อต ก, กะของอักษรชื่อสกุลควรเชื่อเรื่องคำทำนายชื่อสกุลหรือไม่เพราะจำเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆครับถ้ามันเปลี่ยนด้วยเหตุด้วยผลก็เปลี่ยนได้เช่น ท, ทการค้าแล้วมีสินค้าชื่อเดียวกัน่เดี๋ยวก็คนซื้อก็จะสับสนว่าเป็นของใครกันแน่คนเองอาจจะขายของที่ไม่ดีเราขายของดี แต่คนไปซื้อของไม่ดีมีชื่อแบบเดียวกันเขาก็จะคิดว่าของเราไม่ดีก็ได้ถ้าอย่างนี้มันก็เปลี่ยนได้มันเปลี่ยนด้วยเหตุด้วยผลแต่ไม่ได้เปลี่ยนด้วยการทำนายทายทักไม่มีเหตุไม่มีผลว่าชื่อนี้มันไม่เหมาะไม่เข้ากับราศีอะไรไม่เข้ากับวันเกิดอะไรทำนองนี้ถ้าเชื่อแบบนี้อย่าไปเชื่อมันไม่เกิดประโยชน์เชื่อด้วยเหตุด้วยผลทาด้วยเหตุด้วยผลนี่ทาได้ คำถามข้อต่อไปจะคุณ10ิ์ตุลาคมนะครับถ้าเราเป็นพระแล้วหมาแมวที่วัดตายแล้วเอาไปฝังสวดบางสกุลให้พระทําแบบนี้ผิดวินัยสงฆ์ไหมครับแล้วจะได้บุญหรือเปล่าเป็นพระขุดดินไม่ได้เนี่ยถ้าอยากฝังก็ต้องให้ญาติโยมเป็นคนขุดส่วนจะสวดหรือไม่สวดก็ก็ได้ไม่เพราะปกติเข้าโบสก็สวดอยู่แล้วเวลาก็นิมนต์ไปสวดคนตายก็ไปสวดอยู่แล้ว หมาก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งเหมือนกันจะสวดให้มันก็ได้ไม่ผิดวินัยตรงไหนไม่มีข้อห้ามคำถามจะคุณปอนนะครับถ้าหากกระแสตกอยู่ในกระแสกิเลสจิตเป็นอกุศลผมพยายามสวดมนต์นั่งภาวนาฟังธรรมอยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับก็นั่นแหละก็ต้องพยายามสวดมนต์ไปเจริญสติไปพุทโธไปฟังเทศฟังธรรมไป แล้วก็จะดึงใจออกจากกระแสกระแสที่ไม่ดีได้เขาเรียกว่าทวนกระแสกระแสธรรมนี่จะกระส่วนจะทวนกระแสของกิเลสกระแสที่ไม่ดีกระแสของอกุศลเพราะกระแสของธรรมนี่เป็นกระแสของกุศลแล้วเราก็หมั่นเจริญสติพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปฟังเทศฟังธรรมไปแล้วมันก็จะดึงใจให้เรา วิ่งท ว, ทวนกระแสของของกิเลสตัณหาได้จะคุณพรพมนะครับกรรมดีกรรมชั่วในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันอย่างไรครับก็เวลาที่เราได้รับความสุขก็เป็นอันิี้สองของกรรมดีที่เราทํามาเวลาที่เรามีเรื่องวุ่นวายต่างๆมีปัญหาต่างๆมันก็เป็นอันิี้สองของกรรมไม่ดีที่เราทํามา เช่นเราไปฆ่าคนเมื่อสิบปีที่แล้วตำรวจเทุ่นมาจะมามาเจอตัวเราจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางเนอันนี้ก็เป็นอ น, นิสงส์ของกรรมไม่ดีที่เราทําเมื่อสิบปีที่แล้วคําถามจากทาง youtube นะครับคู่บารมีจําเป็นต้องเป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิเท่านั้นหรือไม่เจ้าคะ อ, อ๋อไมนะ่คู่บารมีก็คือคู่ที่ชอบทําอะไรคล้ายคึงกัน ชอบเที่ยวเหมือนกันชอบเต้นราเหมือนกันเอชอบทําอะไรเหมือนกันมันก็มันก็คู่ก็เป็นคู่ของตนไปเหมือนกับรองเท้าอ่ะมันก็ต้องพอดีกับเท้าใช่ไหมถ้ามันใหญ่กว่าเท้ามันก็ไม่พอมันก็ไม่จะเป็นคู่มันมันเล็กเกินไปก็ไม่ได้เวลาเราซื้อรองเท้าเราก็ต้องเลือกขนาดของรองเท้าที่พอดีกับเราเวลาเราหาคู่ครองแล้วก็หาคู่ที่ถูกกับเราเหมาะกับเรา แไม่จำเป็นจะต้องอเป็นเป็นคูไปพุทธภูมิใพีอย่างเดียวไปเวียนว่ายตายเกิดด้วยกันก็ได้บางคู่ก็อยากจะกลับมาเกิดเจอกันอยู่เรื่อยๆทุกภพทุกชาติตายไปแล้วชาติหน้าก็ขอให้กลับมาเกิดได้มาเจอกันอีกจากคุณอากาลิโกนะครับคนเราพอมีวิธีปฏิบัติให้เห็นตัวตัณหาอย่างไรครับกิเลสกับตัณหามีลักษณะอย่างไร เราก็ลองนั่งเฉยๆดูสักพักสิถ้านั่งไม่ได้ก็แสดงว่าเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาแล้วอยากจะไปกินกาแฟนี่ก mm ็กิเลสตัณหาหนึ่งนะอยากจะเปิดดูไลน์ก็เป็นกิเลสตัณหาอย่าันนะอยากจะเช็คอีเมลนี่ก็กิเลสตัณหาทางนั้นถ้านั่งเฉยๆไม่ได้ก็แสดงว่ากิเลสตัณหาเริ่มทํางานละถ้านั่งเฉยๆได้ก็แสดงว่ากิเลสตัณหาพักตัวไม่ได้ทํางาน คืออยู่เป็นสุขถ้าอยู่เป็นสุขก็คือแสดงว่าไม่มีตัณหาความอยากถ้าอยู่ไม่เป็นสุขก็แสดงว่ากิเลสตัณหามันโผล่ขึ้นมาแล้วคาถามจะคุณสีีนานะครับความอยากกินอาหารเพราะหิวความอยากกินน้ําอยากมีบ้านที่สงบสะอาดปลอดภัยความอยากอยู่กับธรรมชาติความอยากเจอแต่สิ่งที่ดีถือเป็นความอยากที่สมเหตุผล ไม่ถือเป็นกิเลสใช่หรือเปล่าคะเพราะหลายๆครั้งจะแยกไม่ค่อยออกขอท่านช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งด้วยค่ะมันก็ต้องมีเหตุมีผลไงความอยากในอาหารก็ต้องรอให้ร่างกายมันหิวแล้วค่อยกินมันไม่ใช่ยังไม่หิวแต่อยากอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความอยากถ้าเป็นความหิวของร่างกายก็กินได้หิวของร่างกายนี้เราก็ระงับดับได้ วันละครั้งก็พอกินวันละมื้อก็พอนั่งกายอยู่ได้ไม่ตายกินวันนี้แล้วครั้งหนึ่งแล้วถ้าอยากจะกินอีกก็ต้องรอพรุ่งนี้เวลาเดียวกันให้ครบ24ชั่วโมงก่อนถ้ากินแบบนี้ก็เรียกว่ากินด้วยด้วยด้วยความจําเป็นด้วยเหตุด้วยผลเหมือนกินยาหมอสั่งให้กินยาตามเวลาเราไม่ได้กินยาตามความอยากเอ๊อยากกินยาแล้วหยิบขึ้นมากินมันไม่มีใช่ไหม เวลากินยาไม่เห็นมไม่เห็นมันอยากกินข้าวมันต่างกันงนั้นถ้ากินอาหารต้องกินแบบกินยากินแบบมีเวลาเวลามีขนาดจานเดียวชุดหนึ่งก็พออาหารชุดหนึ่งของหวานถ้วยหนึ่งขนมเอกับข้าวสองอย่างข้าวจานหนึ่งอะไรตำนองนี้พอหมดแล้วก็พอห้ามเติม <laughs> เรียกว่ากินตามความจําเป็นความต้องการของร่างกายที่อยู่อาศัยก็ต้องให้มันสะอาดถ้ามันสกปรกมันก็เหมือนเป็นหมูเป็นหมาอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์ต้องรู้จักความรักษาความสะอาดเพราะมันเป็นเป็นสุขเรื่องของสุขภาพด้วยที่สะอาดร่างกายมันก็จะมันก็จะไม่มีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนง่ายถ้าที่สกปรกนี่มันเป็นที่สะสมเชื้อโรคต่างๆ มันก็จะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้ง่ายก็จำเป็นจะต้องมีที่สะอาดแต่ไม่ต้องสะอาดแบบโรงแรมห้าดาวอะไรทำนองนั้นสะอาดแบบปกติกวาดบ้านถูบ้านให้มันสะอาดเรียบร้อยก็พอแล้วบ้านก็จัดให้มันดูเรียบร้อยอย่าไปให้ข้าของวังละเกะละกะให้มีระเบียบอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของอความ ความจำเป็นเรื่องของเหตุผลที่ควรจะทำแต่ไม่ใช่ว่าจัดบ้านที่ทททททต้องไปจ้างดีไซเนอร์มาออกแบบให้ว่าจะเอาเฟอร์นิเจอร์แบบไหนจะใช้ม่านสีอะไรถ้า แ, แบบนั้นมันก็ไม่ไม่มันเกินนั้นเรียกว่าตันหาความยาคคำถามจากคุณหนึ่งลักษ์นะครับจิตของคนเรามีกี่ดวงครับสามารถแบ่งจิตแบ่งภาคมาเกิดหลายๆดวงได้หรือเปล่าภายในชาติเดียวกัน ดวงเดียวเนี่ยแต่มันเปลี่ยนไปเหมือนเปลี่ยนสีเหมือนไฟที่มันมีห <perce cousin> ลอดเดียวแต่มันเปลี่ยนสีได้เดี๋ยวก็สีแดงเดี๋ยวก็สีเขียวเดี๋ยวก็สีขาวสีเหลืองใจเราก็ดวงเดียวแต่มันเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวเป็นยกักษ์บ้างเดี๋ยวเป็นมารั้งเดี๋ยวเป็นพระบ้งเดี๋ยวเป็นเปรตบ้างเดี๋ยวเป็นมนุษย์เดี๋ยวเป็นเทพมันก็นเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของมันตอนนี้มาเป็นพระกันเนี่ยมาเป็นเนี่ยมานั่งฟังเทศฟังธรรมมาถือศีลแปดกัน มันก็เหมือนกับเป็นพระเดี๋ยวออกไปเข้าดิสโก้เข้าบาร์มันก็ไปเป็นเดละาชงเดลอาชานไปตามเรื่องของมันจะคุณมาเดียวนะครับผมภาวนาพุโทโธแต่พุโทโธไม่มาในขณะเดียวกันนั้นสติชัดจิตไม่ฟุ้งซ่านแต่ไม่รู้จะไปต่ออย่างไรตอนบวชเคยเป็นแบบนี้ลองใช้สติตามดูสภาวะจิตในขณะนั้น เคยเจอสภาวะที่ความคิดวิ่งเข้ามากระทบสภาวะจิตในขณะนั้นแล้วก็เด้งออกไปเองโดยอัตโนมัติเหมือนความคิดเป็นลูกปิงปองแล้วขว้างอัดกำแพงทำอย่างไรดีครับ อ, อย่าไปทำแบบนั้นอย่าไปตามรู้จิตดูจิตให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วจิตก็จะเน่งจะสงบถ้าไปตามรู้มันก็จิตก็ทำงานไปเรื่อยๆตามสิ่งที่มันรับรู้มันก็ปรุงแต่งตามไปเรื่อยๆ มันก็จะไม่มีวันสงบมันก็จะมีแต่ความฟุ้งซ่านเข้ามาแทนที่เน้นต้องให้มันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่าให้มันไปคิดปรุงแต่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะมีความสุขตามมาจากคุณอดิเลกนะครับการบริการพุทโธต้องกําหนดตามลมหายใจหรือเปล่าครับ แล้วแต่เราเราจะเอาพุโทโธอย่างเดียวก็ได้เราจะเอาพุโทโธคู่กับลมหายใจก็ได้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ผลถ้าได้ผลดีอย่างไรก็เอาอย่างนั้นก็แล้วกันจากคุณพานุวัตรนะครับหากเราต้องใช้ชีวิตทางโลกต้องเจอทั้งคนโลภโกรธหลงเราจะต้องวางใจอย่างไรครับก็เหมือนนี่ก็โลกนี้มันมีของต่างๆที่เราไปเลือกไม่ได้ไป จัดการไม่ได้มีกองขยะมีที่สวยงามมีที่สปกปรกคนก็เหมือนกันคนมันก็เหมือนผลละหมากล่างไม้มันก็มีหลายชนิดมีกล้วยมีมะละกอมีสับ ป, ปะรดจะไปให้ทุกคนเป็นกล้วยไปหมดมันก็ไม่ได้จะให้เป็นสับ ป, ปะรดไปหมดมันก็ไม่ได้ดังนั้นก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเราก็จะไม่เดือดร้อน ที่เราเดือดร้อนเพราะอยากจะให้เขาเป็นอย่างอื่นเขาเป็นกล้วยก็อยากจะให้เขาเป็นสับประรดขึ้นมาเขาโลภ ก, ก็อยากจะให้เขาไม่โลภเนี่ยมันก็ทำให้เราวุ่นวายใจได้จากคุณเพชรยามนะครับการภาวนาพุทโธควรต้องวางจิตระลึกไว้ภายในกายควบคู่กับการภาวนาไปด้วยหรือเพียงแค่ท่องภาวนาอย่างเดียวคะก็โดยหลักก็ให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียว แต่ถ้าเรามีการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยในขณะเดียวกันก็ต้องดูที่ร่างกายด้วยเช่นเดินไปก็ต้องดูว่ากําลังเดินไปชนอะไรหรือเปล่าไม่ใช่เดินไปแล้วก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปจะชนอะไรก็ไม่สนใจอย่างนี้ก็ไม่ได้เดินจงกรมนี่มันก็เดินพุโทโธพุโทโธไปแต่ก็ต้องรู้ว่าตอนนี้ถึงสุดทางทางเดินหรือ ย, อยังพอสุดแล้วก็ต้องหยุดแล้วก็หันกลับไม่ใช่เดินต่อไปทะลุเข้าป่าไปเลย ก็ต้องดูทั้งสองอย่างจากคุณมิมินะครับปฏิบัติที่บ้านเข้าสู่แค่ระดับความสงบปิติเท่านั้นไม่เหมือนเวลาไปฝึกที่วัดค่ะขอคำแนะนา น, นำพระอาจารยา์ก็ไปที่วัดเสร็จที่ไหนมันดีกว่าก็ไปที่นั่นเลยไปบวชเลยคำถามจากคุณอินทิลานะครับเมื่อทำงานทำให้ทุก อยากไปวางออกจากงานแต่ถ้าไม่มีงานก็กังวลทุกข์อีกจะปล่อยทุกข์อย่างไรดีเจ้าคะก็หยุดความอยากทั้งสองอยา่างถ้ายังต้องทำงานก็อย่าไปอยากหยุดทำงานก็ทำไปพ อ, พอหยุดทางานได้อยากจะไปอยู่วัดก็ไปอยู่วัดได้แล้วเราต้องดูว่าตอนนี้เราอยู่ในฐานะไหนต้องอยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้นไปก่อนจนกว่าเราไป ไม่ต้องอยู่ตรงนั้นแล้วเราไปได้เราค่อยค่อยอยากไปถ้ายังไปไม่ได้ก็อย่าไปอยากไปอยากมันก็จะทุกข์จะคุณวิญญานะครับสัตย์เดรฉานเทวดามารพมมีมิจฉาทิฐิหรือไม่ให้คุณหรือโทษแก่มนุษย์ได้หรือไม่ก็มีทั้งมิจฉามีทั้งสัมมาแล้วแต่บางคนบางจิตบางดวงก็มีสัมมาเพราะอดีตเคยได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังธรรม ก็มีสัมมาทิฏฐิติดตัวไปพวกที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัสก็อาจจะมีมิจฉาติดตัวไปหรือบางตัวฉลาดสามารถที่จะแยกแยะสิ่งผิดถูกดีชั่วได้ด้วยตนเองก็เป็นมีสัมมาทิฐิไปอันนี้ก็อยู่ที่จิตแต่ละดวงที่จะไปมีการสัมผัสรับรู้กับเรื่องของสัมมาทิฐิมากน้อยเพียงไร จากคุณอุนะครับเมื่อคืนตื่นตีสี่จะนั่งสมาธิต่อแต่กลายเป็นหลับอยากถามพระอาจารย์ค่ะถ้าร่างกายพักผ่อนเพียงพอแล้วแต่ทําไมถึงยังหลับก็มันชอบอมันเป็นนิสัยฮะมันนอนมันสบายกว่านั่งสมาธิก็ต้องลุกขึ้นมาเดินก่อนถ้านั่งแล้วหลับเราก็ต้องลุกมาเดินหรือไปนั่งที่มันน่ากลัวถ้าที่ไหนมันน่ากลัวนี่มันก็จะไม่หลับ จากคุณมนสัสวีนะครับเมื่อเราเพียรที่จะปฏิบัติบูบชาสวดมนต์ภาวนาแต่ทางครอบครัวเห็นว่าเรามากเกินไปควรเดินทางสายกลางคือเราควรใช้อุบายอย่างไรที่จะเชิญชวนครอบครัวให้มาร่วมปฏิบัติบูบชามากกว่าที่จะทําทานอยู่อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของแต่ละคนนี่เราไม่สามารถที่จะไป ดึงเข้ามาให้ปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันได้เหมือนนักวิ่งเนี่ยบางคนก็วิ่งได้5กิโลบางคนก็วิ่งได้10กิโลบางบางคนก็วิ่งได้ครึ่งมาราธอนบางคนก็วิ่งมาราธอนได้ดังนั้นกำลังของแต่ละคนที่จะวิ่งนี้มันต่างกันจะไปบงังคับให้ทุกคนมาวิ่งในระดับเดียวกันมันคงจะเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับกําลังของการปฏิบัติของแต่ละคนมันก็มีกําลังไม่เท่ากัน บางคนก็มีกําลังแค่ทําบุญใส่บาตรบางคนก็มีกําลังรักษาศีลห้าบางคนก็มีกําลังรักษาศีลแปบางคนก็มีกําลังนั่งสมาธิเพระงั้นแต่ละคนนี่มันมีกําลังไม่เท่ากันเราชวนเชิญได้แต่เราจะไปไปบังคับให้เขามาทําตามที่เราชวนเชิญมันก็คงจะแล้วแต่ความสามารถของผู้ที่เราเชิญว่าเขาจะทําตามได้หรือไม่ถ้าเขาไม่ได้ก็ควรที่จะ ควรจะยอมรับความเป็นจริงอย่าไปอยากเพราะอยากแล้วก็จะทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆจะคุณเมหมวยนะครับเหตุใดเราจึงรู้สึกเจ็บสงสารหรือทุกข์เวลาพ่อแม่หรือลูกเจ็บป่วยไม่สบายมีวิธีแก้เหตุนั้นอย่างไรเพราะเราลากเขาไงถ้าเราไม่รักเขาเราเกลียดเขาเราก็จะดีใจเพราะคนที่เราเกลียดเราก็อยากจะให้เขาเจ็บะ แต่คนที่เรารักเราก็จะไม่อยากให้เขาเจ็บนะเนี่ยเราก็ต้องทําใจเป็นกลางอย่าไปรักอย่าไปชังวิธีที่เป็นใจเป็นกลางก็ต้องทําสมาธิพุโทโธพุโทโธไปให้ใจเป็นอุเบกขาพอใจเป็นอุเบกขาแล้วเราก็จะไม่รักไม่ชังแล้วเขาจะเจ็บเราก็ไม่ทุกข์เขาจะไม่เจ็บเราก็ไม่ทุกข์จากคุณโอเปิลนะครับการนั่งสมาธิโดยบริการพุโทโธ กับยุบหน่อพองหนอ่อมีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไรคะผลที่ได้จะแตกต่างกันหรือไม่ก็ต่างกันตรงที่เราใช้อารมณ์ควบคุมใจไม่เหมือนกันนั่นเองยุบหน่อพองหน่อเขาก็ใช้ดูการยุบยุบพองของท้องของหน้าอกเป็นอารมณ์คนที่ใช้พุโทโธเขาก็ใช้พุโทโธเป็นอารมณ์กำกับใจเพื่อไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งเหมือนกันผลที่ก่อเคลนก็เหมือนกัน จิตก็จะตกลวมตกบ่อรวมเข้าสู่ความสงบเหมือนกันเหมือนกับกินข้าวกินกว๋วยเตี๋ยวผัดกับกินข้าวผัดมันก็อิ่มเหมือนกันจากคุณณประพัฒนะครับชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงเวลาดวงดีดิฉันก็ไม่ได้หลงไปกับสิ่งดีนั้นไม่แต่พอช่วงดวงไม่ดีเจ็บป่วยงานก็แย่ถ้าเป็นอย่างนี้ดิฉันจะสวดมนนั่งสมาธิ เดินจงกรมฟังธรรมะของพระอาจารย์ทุกวันธรรมะเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นบ้างไหมคะ อ, อ๋อไม่หรอกมันจะทำให้จิตใจเราดีชีวิตของเรามันมีเหตุมีปัจจัยที่อยู่เหนือความสามารถที่เราจะไปควบคุมบังคับได้มีทั้งเศรษฐกิจมีทั้งการเมืองมีทั้งสงครามมีทั้งอะไรต่างๆที่มันจะมากระทบกับชีวิตของเราแต่ละคน แต่การที่เราสวดมนต์ไหว้พระนี่จะทําให้ใจเราไม่ขึ้นไม่ลงทําให้ใจเราอยู่กลางกลางไม่ไม่ดีใจไม่เสียใจอันนี้มันจะทําให้ใจเราดีใจเราปลอดภัยจากความทุกข์จากการขึ้นลงของเหตุการณ์ต่างๆของชีวิตเราชีวิตขึ้นเราก็ไม่ดีใจชีวิตลงเราก็ไม่เสียใจก็เ ร, เราอยู่ได้กับมันทั้งคู่อยู่ได้เหมือนกัน ขึ้นเราก็อยู่แบบเดิมลงแล้วก็อยู่แบบเดิมเืรใจเราไม่เดือดร้อนไปวุ่นวายไปกับการขึ้นหรือการลงของชีวิตดีตรงนี้เป็นตัวที่จะปรับใจให้เราเป็นกลางไม่ให้ขึ้นๆลงๆแตงวันนี้ใจเรามันจะขึ้นลงไปกับเหตุการณ์ของชีวิตเราชีวิตเราดีก็ดีใจกันพอชีวิตลงก็เสียใจกันพอเราไม่รู้จักควบคุมใจแยกใจออกจากเหตุการณ์ต่างๆ ผูกใจติดไว้กับเหตุการณ์ต่างๆมันก็เลยทําให้เราวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆจักุนชาวริธ์นะครับฟังธรรมอย่างเดียวทุกวันโดยไม่ได้ภาวนาในรูปแบบเลยจะมีโอกาสบรรลุธรรมไหมครับก็เหมือนกับดูเมนูอาหารแล้วก็ไม่สั่งมากินนะทีนั่งดูไงไอ้บอยเมือไงต่างที่เม่ boy, <laughs> ไหรจะสั่งผมจะได้อ า, อาหารมาให้ถ้าไม่สั่งอาหารมันก็ไม่มา ไม่กินอาหารมันก็ไม่อิ่มการฟังธรรมอย่างเดียวมันก็ไม่ทำให้เราบรรลุธรรมไม่ทำให้ใจเราอิ่มจากการฟังธรรมฟังแล้วเราก็ต้องปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็เหมือนกับสั่งอาหารมารับประทานพอรับประทานอาหารเข้าไปมันก็จะอิ่มพอปฏิบัติธรรมแล้วใจก็จะอิ่มใจจะสงบใจก็จะมีความสุขขึ้นมา จากทางยู u ูบนะครับคุณอากาลิโกนะครับตัณหาอาศัยอะไรเครื่องมือที่ตัณหาใช้คืออะไรครับจิตใจเราสามารถรู้ทันไหมคือความหลงไปหลงคิดว่าสิ่งนั้นดีพอคิดว่าดีปั๊บก็อยากได้ขึ้นมาทันทีไม่ว่าไปหลงว่ามันสิ่งนั้นไม่ดีก็อยากทิ้งมันทันทีอยากนี้มันทันทีก็เป็นตัณหาทั้งสองอย่างก็ต้องใช้ปัญญาว่ามันไม่ดีมันไม่ชั่วทั้งสองอย่างมันเฉยเฉยมันเป็นกลาง เราไปให้ความหมายกับมันเองแล้วก็ไปรักไปชังมันเอง <Yeah. S 1> เนี่ยเสียงเนี่ยคนฟังสองคนคนหนึ่งอาจจะชอบก็ได้อีกคนนึงอาจจะเกลดก็ได้เอ <Yeah. S 1> มันแค่แค่เสียง <Yeah. S 1> นั่นเองเพราฉนั้นพยายามทําใจให้เป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่มีมันไม่ดีมันไม่ชั่วเพียงแต่ว่าเราไปเคยชอบไปชังมันมาพอไปได้สัมผัสกับสิ่งที่เราเคยชอบก็จะชอบขึ้นมา ลำบากับสิ่งที่เราไม่เคยชอบเราก็จะไม่ชอบมันขึ้นมาท่านั้นเองแล้วก็เกิดปฏิกิริยาความอยากได้หรือความอยากนี้สิ่งจากสิ่งนั้นไปคําถามทกุณปะพาพรนะครับภาวนาจนใจเป็นอุเบกขาจะต้องทําอย่างไรและจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นอุเบกขาค ะ, ะก็ต้องใช้พุทธโธเนี่ยจเจริญสติไม่ถ้าไม่ใช้พุทธโธก็ใช้การควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับ ผูกอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําของร่างกายและเวลานั่งหลับตาก็ดูลมหายใจเข้าออกไปไม่ให้คิดอะไรเดี๋ยวจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบแล้วก็เป็นอุเบกขาถ้าใช้พุทโธก็ใช้พุทโธควบคุมความคิดต่างๆในขณะที่เรายังทํางานทําการอยู่หรือทําอะไรอยู่พอเรานั่งเฉยๆแล้วก็พุทโธต่อไปนั่งหลับตาพุทโธไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่อุเบกขาเอง ข้อต่อไปนะครับไม่แน่ใจว่าคําถามอะไนะครับจะคุณบันบุญนัญยานะครับได้แต่ฟังค่ะนานๆจะได้ไปสักทีเพราะความอยากค่ะพระอาจารย์เลยทําให้เหนื่อยเพราะพื้นเพพ่อแม่ไม่มีให้ท่านให้แต่ชีวิตมาค่ะเลยต้องดิ้นรนกันต่อไปเออก็นินไปคําถามหมดครับตอนนี้มีใครอยากจะถามไหม ตรงนี้ก็ฟังทำมาหลายวันต่อกันแล้วนี่วันที่สี่ก็คิดว่าคงจะอิ่มน้ำสำรานใจกัน <c oughs> ถ้าไม่มีใครอยากจะถามก็คิดว่าเราจะยุติการถามตอบปัญหาเพื่อเราจะได้กลับบ้านกลับช่องกันก็ <c oughs> ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต